ทำไมชตากรรมเหมือนมีสองมาตรฐานเรื่องเดียวกันคนหนึ่งถูกด่าอีกคนไม่เห็นโดนยุติธรรมตรงไหนถ้าเข้าใจความจริงหนึ่งได้คุณจะไม่เกิดคำถามนี้อีกความจริงนั้นคือตัวตนของคนคนหนึ่งแม้เท่าเทียมทางกฎหมายยังไงก็ไม่มีวันเท่าเทียมทางความรู้สึก เสื้อผ้าหน้าผมและความเป็นตัวตนของคนคนหนึ่งกระตุ้นความสนใจใครต่อใครได้ต่างกันก่อให้เกิดอคติได้ต่างกันในทันทีที่เห็นอคติคือความกระสันที่จะคาดเดาประมาณเห็นแล้วด่วนสรุปทันทีว่าคนนั้นน่าจะดีคนนี้น่าจะชั่วแค่ปรากฏตัวเดินมาคนคนหนึ่งถูกตัดสินโดยอีกคนหนึ่งไปแล้วว่าเป็นบวกหรือเป็นลบต่อใจ แค่ภาพนิ่งแรกจากมุมกล้องเดียวหรือคลิปเดียวที่แสดงหน้าตาท่าทางซุ่มเสียงเมื่อตกเป็นข่าวออกสู่สายตาสาธารณาชนคนคนหนึ่งถูกสังคมตัดสินไปนแล้วว่าหน้าติดตามหรือหน้าเมื่อหนีใช่ข่าวหรือไม่ใช่ข่าวที่น่าให้พูดถึงควรให้คะแนนสงสารหรือควรประทือให้จมดินควรให้กำลังใจหรือควรชวนญาติมาสาปส่ง ตกลงต้งยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความไม่เสมอภาคเริ่มต้นจากหน้าตาและตัวตนของคนคนหนึ่งหน้าตาและตัวตนมาจากไหนละ่ะอันนี้ลราแต่จะเชื่อล้าแต่จะอยากฟังใครระหว่างนักเดานักบังเอิญวิทยานักวิทยาศาสตร์คนในศาสนาแห่งผู้สร้างสูงสุดหรือคนในศาสนาแห่งกรรมวิบากถ้าเลือกที่จะเชื่อว่า หน้าตาตัวตนคือวิบากหรือผลแห่งกรรมเก่าที่สะสมมาในชีวิต ก, ก่อนก็เรียกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธมองว่าความเท่าเทียมไม่มีจริงตั้งแต่แต่ละคนสมัครใจทํากรรมไม่เท่ากันแล้วชาวพุทธตั้งความเชื่อไว้ว่าถ้าเคยด่าเขาไว้อย่างไร้เหตุผลในที่สุดเมื่อกำเลดผลก็ต้องถูกด่าอย่างไม่สมเหตุสมผลถ้าเคยรุมประทืบ ดาสาตามตามกันไม่สนใจรับฟังหลักฐานข้อเท็จจริงในที่สุดเมื่อการเลดผลก็ต้องมีหน้าตาตัวตนมีรูปมีคลิปที่กระตุ้นสังคมให้อยากรุมประชาทันถ้าเคยเมตตาคนมีเรื่องในที่สุดเมื่อการเพลิดผลพอถึงตาตนเกิดเรื่องก็จะได้รับความเมตตาและการเอาใจช่วยกรรมแบบหนึ่งหนึ่งเมื่อทาเป็นประจา จะก่อให้เกิดกระแสในตัวกระตุต้นคนอื่นให้รู้สึกนึกคิดกับเราตามนั้นด่าคนไว้มากก็เกิดกระแสหน้าด่ามากเมตตาคนไว้มากก็เกิดกระแสน่ารักน่าเอ็นดูมากความเสมอภาคที่แท้จริงมีอยู่แค่ตรงนี้ทาไวอย่างไรมากก็ต้องได้รับผลตามนั้นมากทํไวอย่างไรน้อยก็ต้องได้รับผลตามนั้นน้อยแค่ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา แต่ละคนก็น่าจะทราบกฎข้อนี้ได้ถ้ายิ่งจเจริญสติรู้กายใจลึกซึ้งเห็นด้วยจิตว่ากายใจเป็นเพียงนิมิตกรรมกายใจนี้ตัวตนนี้จตากรรมนี้เป็นผลที่ไหลมาแต่เหตุไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นตามอาเภอใจใครคุณจะก้าวข้ามความเชื่อขเข้าเขตความรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องจริงของความต่างเป็นสิ่งที่เห็นเห็นอยู่ มีเหตุบรรดาลความต่างอยู่ชัดๆปล่อยให้ผู้คนถกเถียงกันไปตามใจชอบว่าทำไมชะตากรรมชอบมีสองมาตรฐานนัก